๕๖บุญประกอบด้วยมิจฉาทิฐิได้บุญน้อยเราต้องจำแนกให้ออกนะว่าเรามีสถานะอะไรเป็นคาราวาสรวยได้ก็รวยนะแต่ต้องไม่ขี้โกงไม่ใช่นักปฏิบัติต้องยากจนในสมัยพุทธกาลดูนักปฏิบัติที่เก่งๆ เ, เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นเศรษฐีก็มีไม่ใช่ทุกคนเป็นยาจกนะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าสถานะของเราคือคาราวาสคาราวาสมีหน้าที่ธรรมหากินมีหน้าที่ศึกษาธรรมะแบบคาราวาส ด, ด้วย อย่าปล่อยธรรมะให้เป็นหน้าที่ของพระข้างเดียวไม่ได้นะศาสนาพุทธสูญไปจากอินเดียก็เพราะเรื่องนี้แหละยกธรรมะให้พระดูแลรักษาพอพระถูกปราบไปหมดศาสนาเลยหายไปเลยฉะนั้นทุกคนต้องเรียนธรรมะนะเราก็มีหน้าที่ใช้ชีวิตของเราอย่างมีธรรมะสอดคล้องกับธรรมะเช่นเราจะต้องรู้จักขยันธรรมาหากินพระพุทธเจ้าสอนให้ขยันนะได้เงินมาแล้วก็รู้จักบริหารจัดการไม่ใช่ว่าทําบุญร้อยเปอร์เซ็นต ยิ่งทํามากยิ่งได้มากอันนั้นโง่นะถูกเขาหลอกแล้วละ่ะทํามากได้มากนะองค์ประกอบของการทําบุญมีเยอะแยะเลยเจตนาที่จะทํามีทั้งสามการก่อนจะทํารู้สึกอย่างไรระหว่างทํารู้สึกอย่างไรทําแล้วรู้สึกอย่างไรยังสมมติว่าก่อนจะทำศรัทธาแก่กล้าไปขายบ้านมาบริจาคสร้างเจดีกลับบ้านสามีเตะจิตใจเศร้าหมองกุศล น, นี้กระพ้องกระแพงกุศลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ เป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนมันจะไม่เกิดจิตที่เป็นมหากุศลถ้าตายแล้วไปเกิดด้วยกุศลชนิดนี้น่าสงสารนะได้เป็นคนพิการหรือเป็นเทวดาพิการพิการเทวดาพิการก็มีนะเป็นเทวดาชั้นล่างๆหรือวัตถุทานที่จะเอาไปทําบริสุทธิ์ไหมทําด้วยน้ําพักน้ําแรงไหมทําแล้วประกอบด้วยปัญญาหรือไม่เรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรเช่นทําเพื่อจะลดละกิเลสในใจเรานี้ได้บุญเยอะนะประกอบด้วยปัญญา ถ้าทำเพื่อหวังว่าจะเฮงเฮงไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้ได้บุญน้อยคนที่รับเป็นคนดีหรือคนเลวแค่ไหนเห็นไ้เงื่อนไขยเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเราเป็นคาราวาสสนใจธรรมะก็โดนหลอกได้นะหลอกให้ทำบุญหมดตัวไปเลยแล้วจะได้มีบุญมากๆอันนั้นเป็นบุญประกอบด้วยมิจฉาทิฐิได้บุญนิดเดียว